พ่อเบ น, นีจะอธิบายธรรมะให้ฟังอธิบายธรรมะเลยไม่ต้องมีวิธีพิธอนอะไรหรอกเพราะพพุทธเจ้าท่านแนะนำจักเตือนพุทธบริษัทให้พากันเดินตามทางพระองค์พระองค์บอกทางให้ ทางที่จะไปสู่สุขติเรียกว่าเป็นทุนทางสืบไปสู่สุขติมีสามขั้นหรือที่เรียกว่าบันไดสามขั้นก็นไดทางสามขั้นและบันไดสามขัน้นนี้พระองค์เทศตาว่าทานังคือการให้ นี่ดังคือการรักษาสิ่งภาวนานัง่งคือการเจริญภาวนาหนึ่งท่านบอกว่าเอกจังสักขังขัจตินี่ทางไปสู่สุขติสวรรค์เอกจังโมขังขัจตินอกจกันแล้วค้นเสียซึ่ง ว่าจ่าสงสารสงมูกเขาทำนี่สังสยังอย่าไปสงสัยเลยท่านบอกวังทางทางสามขั้นอี้ไปเถอะให้ไปเถอะไม่ต้องสงสัยเราต้องถึงที่สุดแน่นอนทางที่พระองค์แนะนำไว้นั้นค่วงขวงมากการทำทาน ที่เรียกว่าทานังในที่นี้มากมายกว่วงขวงเหลือเกินท่านเทศนาถึงเรื่องทานในพระวินัยที่พุทธศาสนิกชนควรที่จะรู้ไว้ว่าอันนาปาหนังวัดถังยาหนัง มาลาคันถังวิเลปนังว่า้าถัาางปีเปียงที่เม่เทาสักวัตถุทานังเท่านทานจิต ป, ประการนี้น่นเลือกเอาคนจะทานอะไรก็เอาให้เข้าเป็นทานก็ดีเพราะมันมีอยู่ในตัวพวกเราทุกคนในบ้านในเรือนคอละมีดมด ไม่ไ ม, ไม่เป็นของหายากใครๆก็มีถึงนั่นเน่ในบ้านในเรือนพวกเราต้องมีข้าวถึงนั้นเนี่จะทานข้าวก็ได้เป็นของง่ายนิดเดียวปานางคือให้น้ำเป็นฐานนี่ง่ายที่สุดไม่ใช่แต่น้ำส้มน้ำหวานน้ำปาหน้าต่างๆ น้าพวกเปาก็เอาเถอะให้ทานได้เหมือนกันง่ายนิดเดียวจะจากมาทําบุญ ท, ท, ทั้งทานก็ได้เท่านั้นงานนังคือให้ฐานยุยยานเป็นพาชนะคืออย่าพายานพาชนะให้เป็นฐานเราไม่ต้องทานมากหรอกทานเก้าบาทสิบบาทเท่านั้นก็ได้ยานไม่ต้องไปซื้อเอารถยนต์ ไปอะไรหรอกทานชิบบาทเท่านั้นก็ได้ทานง่ายนิดเดียววัดทางยานังคือว่าให้่าเป็นทานเรามีอยู่พาแล้วก็นุ่หงหมอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้อาจจะยากั้างหน่อยมีแต่พอใช้พอสอยมาสามารถจะให้ทานก็มีบางคน มาลาคันทางมิเลประนังคือให้ดอกไม้ทูกเทียนเครื่องหอมเครื่องย้อมต่งตางๆที่เราทําบุนทำทานได้ท้งนั้นดอกไม้ท้มเถในป่าในรกไม่เอาดอกไม้ตะวงนก็นี้ในป่าก็มีควรที่เราจะทําบุนทาทาน หาหา่าดีหาดอกไม้ดีๆก็ได้ดอกไม้ในบ้านในเมืองของเราก็มีสมเรีอาวาตถถังวิเรปรนังอาวัตาสถังพอดีไปอย่างให้ที่อยู่ที่อาศัยอันนี้นยากข้างหน่อยเพราะเไ็น ข, ของซื้อยากเดี๋ยวนี้พอดีไปอย่างให้ เครื่องแสงสว่างเป็นทานนี่พระองค์สอนให้เราไม่รู้จักที่จะทำบุญของเรานี่เราทำบุญได้ทั้งนั้นท่านว่าวงั้นบางคนนอนเฝ้าอยู่มีของเรานี่แต่ไม่สามารถจะทำบุญพระองค์ยงสอนให้พวกเราทาบุญสอนให้เราทาทาง ขอให้ตั้งจิตให้ดีเถอะตั้งจิตมุ่งมั่นฝ่าถนาที่จะให้เป็นบุญมิตรสนยัเป็นบุญทั้งหมดทั้งนั้นให้ตั้งมากมายความที่จะไปสู่สุคติสวรรค์มีเท่านี้แหละไม่เอาอื่นใลได้หรอกคนพื้ที่จิตตั้งมั่นป่าถนาบุญกุศล เพื่อประโยชน์ของตนแล้วทำนิดเดียวก็เป็นบุญเป็นกุศลมากมายบุญไม่ใช่อยู่ที่วัตถุมากๆของมากๆแล้วจะเป็นบุญนั่นคนที่ทำบุญของมากๆนั้นคือต้องการเอาเกียรติเอาหน้าต้องการเอาชื่อเอาเสียงด่งหากถ้าหากคู่ต้องการบุญยังกี่แงจังแล้ว ไม่เลือกของนิดเดียวก็เป็นบุญกุศลมากมายยิ่งของมากยิ่งกุศลเอ้ยยิ่งกุศลมากมุนกว่วงขววงมากขึ้นไปคนทำบุญไม่รู้จักตัวบุญปัญญากิีวทันรู้จักตัวบุญแล้วนั้นบุญเกิดที่หัวใจของเรา ใจของเราใส่สว่างมองเห็นหมดวัตถุทั้งจิตประการนี่เป็นบุญทั้งนั้นทา่านจิตไม่ใส่สว่างไม่ใส่สะอาดไม่เห็นสักอย่างเดียวจิดมดนี้ของอยู่ก็ปกปิดไว้มดไม่ไม่สามารถที่จะสระทำบุญได้ ครานี้ะตัวบุญขึ้นใจใจสว่างใสซักมันสะอาจแล้วเป็นตัวบุญขึ้นมาทั้งนั้นคราวนี้สำาหนับฆราวาสต้งมีเรื่องขราวาสมันได้สามขันที่จะไปสู่สวรรค์นอกจากนั้นอีกถ้าไปถึงสวรรค์แล้ว เป็นไปเพื่อพันิพานอีกเหมือนกันอันนั้นมันยา ก, ก อ, อยู่แต่น่อยขอให้ได้ขั้นสามขั้นบางต้นนี่เถอะแต่ว่าบุญหเหล่านี้นั้นเป็นของยากที่จะรักษาไวใดผู้มีบุญในใจของตนอย่างทำทุกวันทุกวัน พุทธารักษาพยายามไม่ให้จิตเสื่อมจากบุญกุศลทุกวันทุกคืนคิดใจแนวแน่ในการบุญกุศลเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราทำบุญอะไรก็รักษาสถานนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมแต่ว่าบุญส่วนนี้มันมักจะ ตกขันใดสามคันอันใดนี่ถ้าหายเขาทำบุญจริงๆแหละใจนแน่วแน่เต็มที่บางทีมีสิ่งใดริ่งเนี่ยมนกระทบกระเทือนด้วยคนก็ดีเร่องจริ่งต่างๆก็ดีมากระทบกระเทือนเดือดร้อนไม่ต้องอื่นไกลหล่ะแต่เพียงว่าเอาของทำของหกเท่านั้นแหละ เลยจิตเศ้าหมองเลยทั้งของแตกเศ้าหมองเลยมันยากตรงนี้ยากที่รักษาไว้ได้เห็นนั้นจึงควรที่จะคิดพิจารณาถึงบุญนี้ต่อเวลาบุญคือตัวจิตนถ้าเข้าถึงจิตแล้วใจคิดใจผองสอ ย, ยู่เสมอท่านนั้นจะรักษาไว้ได้นานหน่อย วันนี้ทานเทศนาสำหรับคลรวะทั่วทั่วไปพุทธบุริษัททั่วไปหมดที่นับถือพุทธศาสนาต้องจิตใจกว้างขวางเบิกาจิตใจอิ่มเอิบในการบุตรคุณสมจึงได้ชื่อว่าพุทธศาสนิกชนเทสะพาพระคานิ ผู้บวชให้ในเรื่องศินขึ้นไปศินสมาธิปัญญาพระอะไรอ็พระหรือผู้บวชไม่สามารถที่จะสอสแสวงหาฐานยมถูตทั้งหลายเรานนั้นได้ รักษาศินเคร่งคัดบริบูรณ์แล้วไม่สามารถใช้รักษาจะรักจะหาของนั้นนั่ายของวัตถุจิตของวัตถุทานจิตการนั้นใดจึงว่าให้รักให้ทําทานให้ให้รักษาสิทธการรักษาสินนึงเป็นทานในในตุ เป็นอภัยทานยู่ในตัวไม่ข่าสัตรักษาประพืชอผิดพิชชาจารย์ต่างๆนั้นเป็นอภัยทานานั่นแหละสมาธิแน่วแน่เต็มที่ไม่คิดถึงการวุ่นวี่นวนวายทั้งหลายลนะเรื่องแสวงหาไม่ต้องคิดหรอกจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ แล้วให้เกิดปัญญาพิจารณาสอนสนสิส่งทั้งหลายทั้งวงหมดที่มาผ่านที่ที่ว่าผ่านเกิดความรู้เท่ารู้ตัวหมดอันนั้นเป็นปัญญาสอนนั่นแต่ให้รักษาสินและกับภาวนาทำได้ปัญญาสอนสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญามีจฉาเหมือนกันแพรยกับมีจฉาเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเหตุเป็นบันไดขั้นหนึ่งเหมือนกันเป็นบันไดาสามขั้นเหมือนกันที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าหากว่าพุทธบราษัทนี้เป็นผู้มีศีลแล้วทานมาเมตตากรเป็นเอง แจมันเบิกบานกวางขวาง ม, มันปลดไม่ได้ทที่จะทำฐานขอให้มีศิลเถิดศนะ้นครอบงวลบริบูรณ์นะมันกว้างขวา ง, างเองเบิกบานเองจิตใจแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทุกทาง น, นั่นแหละเ ม, มตตาเมตตาก็ไม่หายเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนี้ศีลในตัวเมื่อรักษาศีล บริบูรทุกสิ่งทุกประการแล้วแล้วมาพิจารณางเรื่องศินไม่ต้องพิจารณาเรื่องอื่นล่ะพิจารณาเร่องสินนะั่นแหละสินข้อนั่งของมดเว็นใดข้อนั่งมดเว็นใดงอมดเว้แล้ทั้งห้าข้อจิตใจจะอิบเ อ, อ, เอบืบเบิกบาในคืออะไรใจ นั่นแหะเป็นสมาธิกันไม่ต้องเปลี่ยนไปอื่นใปเอาอันเดียวนะั่นแหะเป็นสมาธิขึ้นมาเลยเอาชิ้นตัวเดียวเท่านะั้นเอาชิน้นเอาชิ้นอย่างเดียวเท่านะั้นชิ้นเดมเสียมแล้วเลยเป็นสมาธิขึ้นมาทนะ่านสมาธิเกิดขึ้นมาในเส้นแล <c oughs> นลบางทีจะน่าสอดสองท่านนี่ เรื่องศีลที่เราพิจารณานั้นมันเป็นตัวปัญญาในตัวอจะมาพูดว่าการที่จะรักษาศีลได้มันต้องมีปัญญาใช่ก่อนถ้าไม่มีปัญญารักษาศีลไม่ได้คนเราที่งดเว้นจากโทษ น, น, นั้นเพราะเห็นโทษ เห็นคุณของสินเน้นโทษของการไม่รักษาสินนั่นแ่ะตัวปัญญาจึงค่อยรักษาสินได้รักษาอย่างนี้รักษาสินอย่างว่าเนี่ยมั่นของท้าวรดีดีกว่าที่จะไปสมถานสินเป็นตั ว, ตวเป็นภคขอบ หมดเว้นแจกขาดรักษากลคือผิดที่ชาชาใช้าจในต่างๆจน็้อข้อคือไม่ถึงจิงไม่ถึงใจรักษาเป็นข้อข้อหาข้อเลยหลายตัวไปแลยห้าย่างเลยขี้เกียจรักษาจิตเพราะฉะนั้นจิตไม่ถาวรถ้าพิจารณาเห็นจิตชัด เยน็นด้ตนเองว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปกรรมบาปกรรม น, นี้มันจะทำให้เราไปตกนรกอบายหลายรบหลายชาติงดเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นบุญกุศลทำให้จิตใจเราฟองใสสะอาด อาถรจากความโมหมองจิตใจแล้วความใสการรักการไม่ไม่รักของเขาหรือประพฤติญาจันต์กล่าวของพระสัทวัดดื่มสุดาไปไหนก็เช่นเดียวกันเห็นกรรมของตนที่ตนทำชั่วคิดแล้วสอดร้ม เห็นการของตนที่ตนทำดีจิตใจของใสสะอาดแล้วคราวนี้ข้าเห็นความใสสะอาดของตนคิดใจของใสของตนจะไปอดรักษาชินได้ไงจะไม่รักษาชินได้ไงคนเราต้องการดีเห็นความดีของตนแล้วก็รักษามันคงนั้นดีจิง ดีกว่าที่จะไปรักษาตามพราเป็นเพราะขอนั้นโดยที่ไม่เข้าใจเรียกว่าที่ไม่พิจารณาสิ่งชัดนั่นเรียกว่าไม่เข้าใจในสิงรักษาสิทธ์ไม่ถาอกอันนี้เรียกว่าปัญญามีปัญญาคอยรักษาสิ่ได้มั่นคง ปัญญาตอนนี้ใช่ก่อนเอาปัญญาสุกนะัอาปัญญาที่รักษาจินทำพัฒนานี่ใช่ก่อนให้มันแน่นแท้นลงไปใช่ก่อนส่วนปัญญาวิจนะัยมันไม่ค่อยเกิดหรอกให้มันชัดตรง น, นี้ด้วยใจงตัวเองใช่ไ อ, อันนี้แหละจิตไออันนี้แหละ ถ้าเขาโศภนังทัศนสนา่มเป็นบันไดคนที่จะขึ้นไปสู่สุกติสวรรค์ไม่ต้องสุคติสวรรค์ที่ไหนล่ะสุกติคือตัวของเรานี่ยแหละที่จะเป็นคนดีคือปานน่ะเนียกว่าสุกติทําตนให้เป็นคนดีเรียกว่าสุตตนนกสติมีสามพันธนิหละที่จะทําดีคนเสียใจสามอย่างนี้แล้วไม่ได้เลย จะเป็นคนดีไม่ได้มีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นนะอย่าไปงมงายหาสิ่งอื่นเย้ยจะหาที่ไหนมันจะได้มันจะถูกคนทางอย่างพพุทธเจ้าทระเทศนาสอนนี้ไม่มีหรอกทางที่ไปสู่สุคติทางนี้แหละทางที่จะไปหาคนดีเท่า น, นี้แหละ เราทำน<ด>ี้<อ>สา ม, สามอย่างให้กับเป็นของอากที่ทะนานเพราทานวก็เคยทานมาแล้วรักษาศีล้วก็เคยรักษา ม, มาแล้วส่วนภาวนามีน้อยนักน้อยหนาน้อยคนที่จะได้ทำเหตุน่ามามาในวันนี้ซึ่งมาอยู่ในสถานที่นี้ จงควรที่จะอดกลั้นทำความเพียรภาวนาอย่าไปเห็นแก่ความเหน็ดเขาเหนื่อยความลำบากยากเย็นนานๆยนง ม, มีทีหนึ่งอุตส่าห์พยายามทำให้มันอดทนจะหมมันจนเป็นสมาธิภาวนาการทำสมาธิคือให้รักษาให้หาจิตไม่ใช่หาอื่นใส่ ทำอะไรก็เอาเถอะจะพาวนามาภาวนาอย่างนี้ฝัางไหนาก็เอาเถอะคือหาจิตเท่านั้นนี่ยให้เห็นจิตของตนเองจึงเรียกว่าภาวนาคือวิธีหาจิตอ่ะรู้จักว่าจิตของตนคิดนึกสงสยัยปรุงแต่งอะไรต่าง ให้รู้เรื่องให้เข้าใจว่านะเป็นจิตต้องเรามาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งอยู่เฉยไม่ได้เรามันต้องคิดนึกปรุงแต่งเพราะนึกคิด ป, ปรุงแต่งแต่จิตเรียกว่าจิตไม่มีตัวมีตัวเราจิตต้องปริกรรมภาว น, นาจะใช้อะไรก็เอาพุโทโธพุโทโธเท่านั้นก็เอา ให้คิดว่าอยู่ในนั้นอ่ะหรือว่าจะนึกอย่างสัมมาและหังเข า, เาหรือยกหนอ่อพ้องหนอเขาอนาปาสติปาฏฐานสติได้ทั้งนั้นน่ะแต่อย่าไปเอาหลายอย่างเอาอันเดียวหลายอย่างลังเลจิตในแนวเนี่ยจิตไม่รวมเป็นไม่ไม่มาอยู่อันเดียวกันไม่ไม่อยู่อันเดียว หาจิตนี้มันเห็นถ้าหากจิตไม่อยู่อันเดียวแล้วธรรมดาจิตของเรามาอันเดียวหรอกไม่ใช่หลายอย่างที่มันว่าหมายนัน้นคือเราตามจิตไม่ทันจิตมันเร็วที่สุดเร็วยิ่งกว่าลมเอีกคิดหน่นคิดนีนดน่ปุ่งโว่นปุ่นีอนน่อะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องนั่นไม่อยู่ปกติ เราเข้าใจว่าจิตหลายอย่างท่านหาก้วมาอยู่ในอันเดียวแล้วเช่นนึกพุทโธอย่างอยู่แน่วแน่อันเดียวแล้วมันไม่มีหลายอย่างมีอันเดียวเท่านั้นมีได่คุณนึกเท่านคุณนึกถึงพุทโธพุทโธกั้นมาอยู่อันเดียวเมื่อจับจิตอันนั้นให้มันได้เมื่อนึกพุทโธอยู่อันเดียวแล้วมันคำ ที่เรานึกพุทโธนั้นมันจะหายไปแล้วค่ะนี่เพระมันนึกถึงพุทโธเนี่ยคําเดียวน่ะอันพุทโธมันไดหายไปล้ค่ะนี่นึกถึงผู้ที่ผู้คิดผู้นึกกน่ะผู้นั้นน่ะเป็นตัวจิตอันพุทโธคําว่าพุทโธนะคำปริกรรมมันเลยหายไปมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่จิตแต่แล้วค่ะนี่มันเห็นตัวจิตแล้ว วิธีที่นิพพุธโธนะั้คือล่อให้จิตมาอยู่ในที่นั้นต่างหากให้จิตมาอยู่แล้วครานี้พุธโธแล้หายไปยังเหลือแต่จิตคนเดียวนั่นเองจิตมันคนเดียวมันแท้ๆคนเดียวไม่อยู่พุธโธเดียวเท่านั้นแ่ะพุธโธหายแล้วเหรอยังเหลือแต่จิตคนเดียวดั่นแหเรียกว่าภาวนาภาวนาเป็นนั่น พอหนาถึงพอหนายแลนคร้นเมื่อภาวนาเป็นอย่างนั้นเนี่มันแน่อยูนอยู่ันเดียวแล้วจับตัวนั้นให้มันแน่นแน่นแฟ้นอย่าอย่าไปสงสัยว่าแหวกนั้นี่อย่างแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ภาวนานึกถึงพุทโธอันเดียวแล้วอ้ น, ววนนี้มันรวมลงมันรวมอ่ะครันถึงจิตแต่มันเข้าถึงใจแล้วครับ จิตกับใจต่างกันจิตผู้คิดใจ ผ, ผู้อยู่ผู้รู้นะเข้าถึงผู้รู้แล้วท่านท่านเมื่อในคิดแล้วก็เข้าถึงใจคือผู้รู้จิตคือผู้คิดใจคือผู้เป็นกลาง ต, ตัวกลางนั่นแหะตัวกลางกางนั่นแหะเป็นตัวใจไม่มีอดีตอนาคตลงปัจจุบันเลยครับเมื่อลงปัจจุบันแล้วตัวของเราก็มีแล้วค่ะนี่ตัวหายไปไหนหมดคือมันยังเหลือที่ใจตัวใจตัวนั้นนะ่ะมันจะไปเกิดในที่ต่างๆในใจตัวนั้นน่ะมันไม่ฝ่ายเรากายนี่ตายแล้วเลยทิ้งกันนี้นเดี่ย ที่ไม่หาตัวใจให้เห็นถ้าอยากจะรู้เรื่องของใจทำนี้ก็ได้เราลองกลั้นใจลองดูกลั้นใจสักพักหนึ่งไม่คิดไม่นึกไม่ปุงไม่แต่งหายหมดยังเหลือแต่ผู้รู้ขันั้นนหละตัวใจ ลมหายใจลูกกระดัมันดีมีประโยชน์อย่างนี้แหละลมหายใจเวลาเจ็บเวลาเจ็บมากๆแล้วก็การลมหายใจค่อยบาค่อยสงบลงไปนั่น เ, เรียกว่าใจแต่ว่าใจนะั้นะให้ลนะมหายใจนั้นซ้ำนานไม่ได้ไนงะ มันใ จ, จะขาดหายใจไม่ได้ตายเพราะฉะนั้นทดลองดูเฉยๆหน่อยให้รนะู้จักเรื่องวิธีหายใจ้องการดมลองดูเอาทำสมาธิภาวนาไนเปเกิดขึ้นมาไม่เชื่อไม่สร้างกรรมดีกรรมชั่วถึงไม่ตั้งใจจะสร้าง แต่ประการซาเนี่ยมีตัวใครเกิดขึ้นมาจะไม่ทาอะไรนี้ไหมไม่มีแบบไม่ทําดีก็ต้องทำชัว่วอยู่หลังไปนั่นแหละคนดีคนชัว่วนี่พฤติกรรมเรมาหัดพันาคือหัดหน้ากรัม ทางคนดีอยาจกะเป็นการละกลับฉะนั้นพูดไม่ฟังเสมอว่าทำใจเป็นกลางกลางไม่มีดีไม่ชดนั้นแหละคนจะกลับถ้าทำเข้าถึงใจถึงนั้นนั่นนั้นจะคปนจะกลับได้ ว่าเราทำได้ชั่วคร้ชั่วคู่หนึ่งขนาดนี้หรือเพิ่จากการชั่วคู่หนึ่งขนาดนถ้าทำได้นานๆมันกับคิ่จากการมไม่นานโดยจิตตรงนเป็นคนแต่งกรรมมีคิดตงึงใจตึงแต่งนีนนยแรงตันทั้งยาสั้งขันสระพัดทุกอย่าง แต่ไม่มีที่กินที่สุดถ้าหาสติเข้าไปคุ้มความยึดมันไม่ให้คิดไม่ให้นึม่ใหงสายถ้าคิดคิดนึกสาสัยเป็แต่งอะไรก็เอาอะสติคุมมันให้มันทำ ดวงแสงนี่มันยังจะหมดยังจะหมดกัดเห็นชัดแต่ตรงนั้นอน่ะ